พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่7คขณกะโมคลลานาสูตรสูตรว่าด้วยปรามชื่อขณกะโมคลลานะพระผู้มีพระภาคประทับณปราศาสตร์ของนางวิสาขาในบุพารามใกล้กรุงสาวัตถีตรัสตอบเรื่องอนุปุปภาสิกขาคือข้อศึกษาโดยลำดับอนุปุปภะปฏิปทา